การปฏิบัตินะจับหลักให้แม่นแม่นแล้วง่ายไม่รู้หลักแล้วทำไม่สำเร็จหรอกหลักของการปฏิบัติง่ายๆเลยนะให้เรารู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองคอยรู้สิ่งที่ปรุงแต่งนะไกากระใจเราปรุงแต่งเรื่อยๆลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าลมหายใจก็ปรุงแต่งร่างกายนะ จิตใจก็ปรุงแต่งก่าทำงานอยู่ตลอดเวลาอาศัยสัญญาเวทนาเข้ามาปรุงทำให้จิตทำงานให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งเองพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่พลาดคือแทนที่จะรู้ทันความปรุงแต่งนะครับไปภาคเพียนที่จะปรุงแต่งคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าภาวนายังไงหรือปฏิบัติยังไงแล้วจะดี ใ, ใจคิดอยู่แต่เรื่องนี้ทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำยังไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆทำยังไงก็ผิดทั้งหมดแหละเพราะความปรุงแต่งทั้งหมดนะไม่ว่าจะไปพยายามประคับประคองจิตใจขนาดไหนนะรักเง่าของมันก็คือเอาวิชาทำไมมันปรุงแต่งนะเพราะมันคิดว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของดีเป็นของวิเศษรักมัน รักในกายในใจนี้ก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันมีความสุขแต่ละคนก็ปรุงแต่งันไปตามสติปัญญาสัตว์ทั้งหลายนะหรือคนซึ่งไม่ได้เรียนธรรมะเขาก็มัก็บปรงแต่งตามใจกิเลสคิดว่าถ้าสนองกิเลสได้แล้วมีความสุขนะอยากไปเที่ยวอยากไปกินเหล้าอยากไปทําอะไรต่ออะไรนะ ได้ทำสมอยากสนองกิเลสได้สมอยากแล้วก็มีความสุขคิดอย่างงี้ส่วนนักปฏิบัตินะฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคิดว่าตามใจกิเลสเนี่ยไม่มีความสุขจริงหรอกเพราะต้องตามใจกันทั้งชาติถ้าเรามาฝึกกายฝึกใจของเราให้ดีนะบังคับกายบังคับใจเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจได้เราถึงจะมีความสุขบางคนพยายามฝึกใช่ไหม นั่งสมาธิทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ปวดอยากไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไรนะให้หมอมันตัดเส้นประสาทออกบล็อกฝันหลังไม่เจ็บไม่ปวดพยายามจะเข้าไปดัดแปลงมันไปแก้ไขมันไปปรุงในทางจิตใจก็เหมือนกันนะภาวนาคิดทุกวันเลยาทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกมีใครไม่คิดไหม ที่ทำอยู่นี้มันถูกหรือมันผิดหน้าทำยังไงมันจะดีกว่านี้อีกนะมันมีคาว่าทำนำหน้าใช่ไมทำไมต้องทำอ่ะเพราะอยากดีอยากสุขอยากได้มรรคผลนิพพานนะเบื้องหลังมันก็คือความอยากทำไมต้องอยากอย่างนั้นเพราะเบื้องลึกลงไปเลยมันเห็นว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราแล้วก็ยึดถืออย่างเหนียวแน่น มันอยากให้จิตใจมีความสุขนะคิดว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตใจมีความสุขบางคนหนักกว่านั้นอีกอยากให้ร่างกายมีความสุขด้วยบางคนไปฝึกนอนบนตะปูทรมานมันไปเรื่อยๆจนมันคุ้นเคยกับความทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุกข์แล้วคิดอย่างนี้ก็มีนะนีโง่เข้าขั้นเลยหรือจิตใจนะทาไงมันจะนิ่ง นิ่งได้สงบได้แลนะ้วมีความสุขนะหรือว่าดิ้นรนอยากนิพพานนะดิ้นรนบางคนก็ดิ้นรนแปลกๆดิ้นรนน้อมใจไปอยู่ในความว่างนี่ถ้าน้อมไปตรงนี้แล้วคงจะดีบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆบางคนก็จับเอาตัวผู้รู้ไว้เหนียวแน่ น, นมีจิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวผู้รู้ บางคนไปเพ่งอารมณ์บางคนไปเพ่งจิตนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจนะก็เพ่งไว้ที่ตัวอารมณ์อันนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งชีว่าถ้าเพ่งลมหายใจไป น, นานๆแล้วคงจะบรรลุรมรรคผลนิพพ า, านบางคนไว้เพ่งท้องนะท้องฟองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องคิดว่าถ้าเพ่งนอนนานไปแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายบางคนเพ่งจิตบางคนเพ่งจิต บางคนเพ่งความว่างบางคนเพ่งความไม่มีอะไรเลยบางคนเพ่งจิตที่พยายามประคองตัวผู้รู้ไว้นะไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงให้แต่งทำอะไรต้องมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาใจจะเครียดนะใจกหนักหนักเครียดเคื่อไม่ว่าทำอะไรนะรากเง้ามันก็คือเอาวิชามันไม่รู้แจ้งในกองทุกข์ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวเรา ก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันบนรรลุมรรคผลนิพพานก็ดิ้นรนปรุงแตงง่งใหญคนไม่ฉลาดก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วตามใจกิเลสคนฉลาดขึ้นมาหน่อยนะั้นก็ปรุงแตง่งฝ่ายดีคือคอยควบคุมตัวเองคอยบังคับกายคอยบังคับใจเพ่งโ น, โน่นเพ่งนี้กำหนดโน่นกำหนด น, นี้ไปนี่ก็คือความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลย ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าปรุงยังไงแล้วจะดีปรุงยังไงแล้วจะบรรลุหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะให้รู้ทันความปรุงแต่งเะจิตมันมีความอยา ก, ยากจะปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากจิตมันอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานรู้ทันว่าอยากจิตมันดิ้นรนค้นคว้าว่าภาวนาอย่างไงแล้วจะดีจะบรรลุเร็วๆ ร, รู้ว่าจิตมันดิ้นรนค้นคว้าจิตเป็นงไงก็รู้ทันมันลูกเดียวเลย ไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะแปลงพวกเราเ mm hmm. กือบทั้งหมดเลมชอบดัดแปลงดัดแปลงไปเรื่อยๆคิดทำอย่างนี้คงจะดีทําอย่างนี้คงจะดีนะฝึกไปแต่ดีไม่ดีที่คนกวาอย่างนั้นก็จําเป็นคนไปเรื่อยๆลองทำดูทาอย่างนี้ถ้าจะดีนะ่ะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้ลองทําอย่างนี้ดูถ้าจะดีนะก็ใช้ไม่ได้มาส่งกันบ้านที่ไรมีแต่คําว่าไม่ใช่หรอกใช้ไม่ได้หรอกนะ อันนี้สําหรับลูกศิษย์ที่มาเรียนนานๆนะถ้าคนใหม่ๆเ อ, อดีแล้วล่ะทําไปอีกนะฝึกไปฝึกไปเอาาใจไว้ก่อนอินทรีย์อ่อนถ้าอินทรีย์แข็งแล้วก็โดนหนักๆหน่อยนะตรงไปตรงมาได้เยอะขึ้นลงความแล้วก็คือมันอดปฏิบัติไม่ได้หรอกเมันอดบังคับกายอดบังคับใจไม่ได้หรอกหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็น อาจภาวนานะแล้วก็สงสัยเราควรจะดูตัวไหนดีดูตัวผู้รู้ดีหรือจะดูอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่อารมณ์มันไหวอยู่ที่กลางหน้าอกนะตัวผู้รู้มันอยู่ข้างบนจะดูตัวไหนดีว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุก็น่าจะรู้ตัวที่อยู่กลางหน้าอกนะี่ตัวนี้มันทุกเนี่ยตัวข้างบนผู้รู้นี่ไม่เห็นมันทุกเลยหลวงพูดูนบอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ข้างบนไปมันเป็นคนรู้หรือว่าเราจะดูใส่ตัวนี้ดี พอไปดูใส่แนละ้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสมถะมาดูตัวนี้นะก็เป็นสมถะอีกรวมความแล้วจะดูตัวไหน น, อน้องสงสัยขึ้นมานะสงสัยแล้วทํำยังไงดีไปเจอหลวงปู่ดูลสงสัยรั่วสงสัยเอาให้ดูก่อนดูอยู่สักปีหลวงปู่ดูลสิ้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศสงสัยเรื่องเดิมนี่แหละเดี๋ย ว, เ, ยวเอาไว้ดูก่อนนะแล้วค่อยถามหลวงปูท่ทีหลังนะ เออาก็ถามครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องหรอกหลวงปู่เทศก็สิ้นไปหลวงปู่สิมก็สิ้นไปสิ้นไปเป็นลาดับลำดับลาดับนะจนองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวัตถามดีไม่ดีวะติดปัญหานี้มายี่สิบปีแล้วดูตัวไหนดีไม่ถามนะทำไมเราปล่อยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆมรณภาพไปหมดแล้วเหลหลวงปู่สุวัตย่ เราถามหลวงปู่สวรรทำไมเราไม่ถามองค์กก่อนไว้ซะ ก, ก่อนลนะเอาไว้ดูก่อนนะไว้ดูก่อนนะในที่สุดท่านก็มรณภาพไปเราก็ดูของเราไปเรื่อยนะโอ้ยังไงว่ามันจะถูกเห็นไหมลึกๆ ก, ก็คือดูตรงไหนจะถูกดูแบบไหนจะถูกดูตรงไหนจะถูกลึกๆ ก, ก็เป็นนะมันความรู้สึกชนิดนี้มันมีอยู่ในทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติเลยดูไปดูไปนะ ตัวนี้ตัวนี้ดูต่อไปก็มันก็อตัวไหนมันรู้ก็เอาตัวนั้นแหละไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจนปัญญานะมันจิตมันจะไปรู้สตรีมจะไปรู้ตัวไหนก็เรื่องของมันนะปล่อยมันทํางานไปเพราะหมดปัญญาแนละ้วไม่รู้จะทํายังไงต่อไปแล้วดิ่โดนค้นคว้ามาจนสุดขีดในใจลึกๆนะมันรู้อย่างเดียวว่ามันยังไม่รู้อะไรบางอย่างแต่ไม่รู้นะว่าไม่รู้อะไร ไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรรู้แต่ว่ามันยังไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งมันยังไม่พอนะใจไม่วางวางก็วางแว บ, บๆนะเดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาอีกละหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกพี่เอาไม่มีอะไรแล้วมีเท่านั้นแหละนะท่านพูดถึงขนาดนี้ท่านประโยคของท่านนะท่านบอกว่าพระสกทาคานะพระอนาคาพระอรหันเนี่ยเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจตนะ่หากที่ไม่เท่ากัน ท่านพูดพระสกทาคาพระนาคาพระอระหันต์เห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันท่านบอกให้อย่างนี้ท่านบอกไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเราฟังท่านเราก็ไม่เข้าใจอะไรของท่านนะไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราอย่างต้องหยิบเวยเอาจิตไว้ก่อนเราภานาไปเรื่อยนะความรู้ความเข้าใจก็ค่อยเกิดขึ้นเองถึงสุดท้ายเรารู้เลยเราไม่ได้จงใจจะรู้อะไรเลย แต่ทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมันแสดงธรรมะออกมาเหมือนๆกันมันแสดงความเป็นก้อนทุกออกมาเหมือนๆกันทั้งหมดเลยทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้นะเคยได้ยินหลวงปู่ดุลบอกด้วยบอกผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะ่ะเป็นสิ่งเดียวกันฟังแล้วงงหนักเข้าไปอีกจิตกับวัตถุมันเป็นสิ่งเดียวกันเขาไปได้ไงโอ้รู้สึกว่ามีแต่เรื่องไม่รู้เยอะเหลือเกินนะไม่เข้าใจทํำยังไงจะรู้ก็ไม่เข้าใจ ก็ได้แต่มีสติรู้กายรู้ใจทุกวันทุกวันไปเท่านั้นเองอาศัยอดทนนะกาภาวนาเนี่ยพวกที่ฉลาดปลัดเฟืองเนี่ยพวกนีไไกนก้ไม่ได้กินหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะไม่ได้กินหรอกอดทนเข้าไว้นะอดทนเข้าไว้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่ต้องให้หลวงพ่อบอกตลอดเวลานะไม่ใช่วิ่งไปถามคนโน้นวิ่งไปถามคนนี้ตลอดอดทนไว้นะเรียนรู้ความจริงของกายของใจรู้ทันความปรุงแต่งของเขาเรื่อยๆไป การที่เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าทํายังไงจะถูกทํำยังไงจะดีเราจะหมดความปรุงแต่งแต่ในขณะเดียวกันการที่เราคอยรู้กา ย, ยรู้ใจเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งเราจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แจ้งขึ้นมานะแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกขนะ์รู้แจ้งจริงๆแลวโอ้ทุกข์เนี่ยพอรู้ว่าทุกข์ปุ๊บสลัดทิ้งเลยสลัดทิ้งเลยสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไป มันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกที่ว่าทุกให้รู้สมุดไทยให้ละเนี่ยไม่ใช่ละเป็นคราวๆแต่ละแบบสมุดเฉดประหารเลยละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนั่นการละตัณหาในขั้นต้นๆไปเนี่ยนะมันเป็นละชั่วครั้งชั่วคราวแต่การละตัณหาในขั้นที่เกิดอริยมรรคเนี่ยละแล้วละเลยละแล้วไม่มีการละอีกต่อไปนิโรธก็แจ้ง นิพพานก็แจ้งทำไมมันละตันหาได้เพราะมันเห็นแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกตันหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีอีกความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกเนี่ยไม่มีอีกเพราะรู้แล้วมันเป็นตัวทุกมันพ้นทุกไม่ได้หรอกตัวมันเป็นตัวทุกมันจะพ้นทุกได้ยังไงเหมือนไฟมันร้อนนะจะให้ไฟมันไม่ร้อนได้ยังไงไปฟืนคุณสมบัติของมันขันห้าเป็นตัวทุกยังไงก็ตัวทุก พอปัญญามันแจ้งมันยอมรับความจริงแล้วขันห้าเป็นตัวทุกข์สลัดคืนกันห้าให้โลกเลยความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากให้กายให้ใจมีความสุขไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะรู้ว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะรู้ว่ามันสุขไม่ได้นะนี่ปัญญามันแก่รอบถึงขนาดนี้รู้ว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามันสุขไปไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่ารู้ถูกนะ มันจะสลัดคืนให้โลกไปเลยหมดความยึดถือต่างคนต่างอยู่แล้วขันส่วนขันนะธรรมชาติรู้ธาตุรู้ส่วนธาตุรู้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่กระทบเข้าถึงกันแต่ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันซึมซ่านเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างซึมซ่านเข้าไปกระทั่งในขันอย่างพวกเราภาวนาพวกเรารู้สึกไหมบางทีขันมันแยกออกไปรู้สึกไหขันมันแยกนะ รู้อยู่ต่างหากรู้ตัวนี้ยังไม่ใช่ธาตุรู้แท้ๆรู้ตัวนี้เป็นแค่ตัวจิตผู้รู้ซึ่งยังไม่เที่ยงอยู่ยังแปรปรวนอยู่ตัวธาตุเนี่ยมันคงตัวอยู่โดยตัวของมันเองละ่นะมันจะไม่แปรปรวนนะ้ในตัวจิตผู้รู้นี่มันยังเป็นขัดอยู่นะยังแปรปรวนอยู่พอมันสลัดคืนขันห้าให้โลกเนี่ยธาตุรู้มันจะหลุดอิสระออกมาธาตุรู้นี้จะซึมซานเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงไม่มีที่ตั้งนะเต็มโลกเต็มจักรวาลเต็มขันอยู่เต็มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นงั้นในขันนี่นะธาตุรู้ก็ซึมซ่านได้ในขันนั้นสุญญาตาก็ซึมซ่านอยู่ได้ธาตุรู้ไม่ใช่สุญญาตานะเพนั้นซึมซ่านอยู่ได้เพราะนั้นไม่มีขอบมีเขตนะเป็นอิสระภาพเป็นอันเดียวรวดเลย เมื่อปีสอเจหลวงพ่อไปหาครูบาจารย์หลวงฤิษีหลวงปูด่ดลชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเนี่ภาษาเขมรนะครับว่ากิมไม่ได้แปลว่าทองภาษาจีนไม่รู้แปลว่าอะไรไม่เคยถามท่านเลกลัวถูกดา่าอยู่กับครูบาจารย์กรรมฐานาเราถามอะไรนอกเรื่องดีไม่ดีเจอของแข็งนะมีวันนะไปหาหลวงพ่อกิมตอนนั้นกุฏิท่านเป็นไม้มีสองชั้น ไอ้กุฏิที่เห็นทุกวันนี้ทาทีหลังที่เป็นปูนกุฏิเป็นไม้ก็ขึ้นไปข้างบนระเบียงแคบๆห้องท่านเล็กๆมีระเบียงแคบๆอยู่ข้างหน้าหน่อยท่านก็นั่งเราก็ไปนั่งฝั่งท่านเทศท่านก็ชี้ประโมทเห็นสุญญาตาในพื้นกระดานนี้ไหมเราเห็นครับประโมทเห็นสุญญาตาในลูกกลงนี้ไหมเราเห็นครับ โมทเห็นสุญญาตาในอากาศข้างหน้านี้่ไหมเห็นครับเออใช้ได้ละจบธรรมเทศนา <c oughs> ค่อยภาวนานะวันหนึ่งโอ้สุญญตานะมันซึมสั้นอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าใจเราไม่แบ่งแยกถ้าใจเราเป็นสองนะโลกก็เป็นสอง <c oughs> ใจเราเป็นหนึ่งนะธรรมะก็เป็นหนึ่งขึ้นมาโลกเป็นคู่เสมอเลยธรรมะมันเป็นหนึ่ง ไม่ ว, ว่าจิตหนึ่งทําหนึ่งให้เรียนเอาให้ศึกษาไปนะให้รู้ความปรุงแต่งนะอย่าไปหลงปรุงแต่งซะเองไม่ต้องคิดหรอกว่าภาวนาอย่างไงถูกรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกตัวแล้วไม่เฉยเฉยไปติดอยู่ในความว่างรู้สึกตัวแล้วค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปมากๆ ใจเม่จะคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้่ทําทยังไงจะดีทํายังไงจะถูกลงมือทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นจำไว้นะลงมือทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นน่รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้เท่าที่รู้ได้ไม่รีบร้อนว่าจะต้องรู้เท่าพระอราหารันต้องรู้เท่าพระสกทาคาพระอนาคาต้องรู้เท่าพระโสดาไม่เท่าหรอกรู้ไม่เท่ากันหรอกฉนะนั้นมีหน้าที่แค่คอยรู้สึกตัวขึ้นมา ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่คอยเพ่งกายเพ่งใจไม่ไปเพ่งความว่างไม่ไปเพ่งอะไรเลยไม่ไปเพ่งกระทั่งตัวผู้รู้รู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานรู้สึกไปดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่ามันมีแต่ตัวทุกลรุนรุนเบื้องต้นยังไม่เห็นเป็นตัวทุกรุนรุนเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราค่อยดูไปทีละตัวทีละตัวมันจะเห็นไม่มีเราหรอก การดูทีแรกก็ยังดูไม่ค่อยเป็นนะดูแล้วถล่มลงไปดูบ้างเริ่มต้นอยากดูก่อนอยากจะดูแล้วเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดี mm hmm. ก็ปรุงแต่งเรียบร้อยแล้ว mm hmm. พอไปเห็นสภาวะเขานั้น mm hmm. ก็ถล่มลงไปจ้องนะใจไม่ตั้งมั่นใจใจไหลออกไปใจไม่ตั้งมั่นพี่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานแรกๆ ก, ก็ยังต้องจ้องไปก่อนลงไปก่อนเหมือนกันทุกค น, ไนนะไม่ต้องตกใจ อาศัยได้ฟังทำไปเรื่อยๆนะว่าจิตส่งออกนอกบ้างจิตไม่ถึงฐานบ้างหลายสำนวนนะฟังไปสำนวนนี้ไม่เข้าใจสำนวนนี้ไม่เข้าใจฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งมาฟังอีกโอ้จิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานเกิดเข้าใจขึ้นมาฟังมาร้อยครั้งไม่เข้าใจนะมาเข้าใจครั้งที่ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหเป็นไปได้งั้นอดทนนะฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆแต่ละเที่ยวนะความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอก รับรองเต ด, ดขาดเลยไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนวิทยาการทางโลกนะอาจารย์เลคเชอร์ให้ฟังนะนักศึกษากี่รุ่นฟังแล้วก็เหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะนักศึกษาไทยนักศึกษาไทยไม่ใช่นักศึกษาที่แท้จริงเป็นนักก๊อปปี้ก๊นะอปปี้ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็เหมือนกันความรู้ความเข้าใจเหมือนเหมือนกันถ้าไม่เหมือนอย่างนี้สอบตกแต่ฟังซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์หรือตำราอะไรนะ ความรู้ความเข้าใจจะไม่เคยเหมือนกันเลยความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนประโยคเดิมนั่นแหละประโยคเดิมนั่นแหละแต่อาศัยที่เรามีสติรู้ ก, กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าอบรมบ่มของเราไปเรื่อยไม่มีใครมาช่วยเราได้นะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องช่วยตัวเองคนที่ผ่านมาได้เนี่ล้วนแต่พวกช่วยตัวเองทั้งสิ้นเดูไปดูไปวันหนึง่งอาจจะมานั่งฟังเทศหลวงพ่อก็เทศนะว่า ตัวตนไม่มีนะตัวเราไม่มีนะปิ้งขึ้นมาเลยโธ่แทบเคคกลีบดบาลตัวเองทำไมโง่วะหลวงพ่อพูดทุกวันเลยว่า ต, วตัวตนไม่มีเพิ่งจะมาปิ้งเอาเมื่อปีที่สิบกว่าอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะเพราะงั้นความรู้ความเข้าใจนี่มันรอเวลาที่สุกงอมขึ้นมาอย่ารีบร้อนนะภาวนารู้สึกกายรู้สึกใจทำเหตุไปเรื่อยอยากขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์ทาให้บรรลุเร็วนะ ยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งค้นคว้ายิ่งสแสวงหายิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆอดทนไว้ใจเย็นๆไว้อดทนนะพูดทุกวันเลยเรื่องความอดทนเนี่ยทนทนไหมความเฉลียวฉลาดอะไรนะ่นโยนทิ้งไปเลยยิ่งฉลาดมากยิ่งค้นคว้ามากยิ่งปรุงแต่งมากภาวนาซื่อๆไว้หลวงพ่อคําเขียนมาให้ภาวนาซื่อๆนะ่ะภาวนาโง่โงโง่งงเป็นไหมโง่ไม่เป็นนะฉลาดไม่เป็นหรอกนะ โง่เพระโง่นะภาวนาไปดูกายมันไปดูใจมันไปไม่ต้องคิดหรอกว่าดูแล้วมันจะได้อะไรมันจะบระรลุเมื่อไหร่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าไปเพ่งใส่มันเท่านั้นแหละหลงไปได้ไหมได้เพราะมันจะหลงหลงแล้วรู้ว่าหลงไปนะคอยฝึกของเราไปรู้สึกไปดูกายมันปรุงแต่งดูใจมันปรุงแต่งมีหน้าที่เท่านี้นแหละนะไม่ต้องปรุงแต่งว่าดูยังไงจะดีนะ อาศัยการฟังธรรมเนี่ยมันบุกเบิกให้สติปัญญาของเราพัฒนาไปนะอย่างเช่นหลวงพ่อบอกพูดทุกวันนะก่อนรู้อย่าอยากนะให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปเที่ยวแสวงหาอย่าอยากรู้นะรู้แล้วอย่าถลำลงไปจ้องนะรู้แล้วสักว่ารู้อยู่เฉยๆนะถ้ารู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้แล้วก็สักว่ารู้อย่าเข้าไปแทรกแซงนี่พูดอย่างนี้นะ ในเวลาปฏิบัติจริงพวกเราทําได้ไหมทำไม่ได้รู้สึกไหมทําไม่ได้เวลาคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่จะสแสวงหาทันทีเลยดูอะไรดีวะเอาละเจอไอ้นี่เรามาดูไอ้นี่ละพอดูอันนี้ปุ๊บถล่าไปจ้องปั๊บนะไปจ้องเุ้ยนี่มันทุกข์นี่ทําไงจะหายทําไงนี่แทรกแซงแนละมันอดไม่ได้หรอกที่หลวงพ่อบอกว่ายาอย่างนี้นะยาอย่างนี้นะย่าอย่างนี้นะานนะานนะสามยาสามย่างคือก่อนจะรู้ว่าอยาก ให้สภาวะเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้นะไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาระหว่างรู้นะก็อย่าอยากรู้ให้ชัดนะไม่ต้องถลำลงไปจ้องรู้แล้วก็อย่าอยากเข้าไปแทรกแซงนะไม่ใช่อยากอยากให้มีอยู่นานๆอยากให้หายไปก็เข้าไปแทรกแซงนี่สามอย่าสามอย่าสามอ ย, า, อยากรักสาอันนะฟังอย่างนี้ทำได้มําทำไม่ได้แต่วันที่อินทรีย์แก่กล้ามันจะปิงขึ้นมาเลย เฮ้ยอย่างนี้จริงๆเลยถล่มลงไปจริงๆแหละยจะ เ, เห็นขึ้นมานะแล้วหลวงพ่อคอยจีย้เฮ้ยจะถล่มไหมนะบอกเนี่ยนะบอกเพื่อให้เห็นรู้จักเท่านั้นน่ะนิดๆหน่อยๆกระตุ้นเท่านั้นเองะบอกเป็นการกระตุ้นหลวงพ่อทําหน้าที่เหมือนหมอทําคลอดนะพวกเราต้องไปทําให้เด็กเกิดเองนะถ้ามันทาให้เด็กในท้องเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเองนะแล้วหมอทําคลอดเนช่วยนิดเดียวตอนคลอดไม่นานหรอก ตอนท้องตั้งนานใช่ไหมพวกเราตอนนี้เหมือนกาลังท้องอยู่ท้องในการปฏิบัตินะสะสมสติปัญญาให้มันท้องป่องขึ้นมาเลยนะสะสมของเราไปถึงเวลาคลอดนะใช้เวลาไม่นาน่ถ้าเร่งนะท้องได้สามเดือนแล้วอะไรจะคลอดนหะมคอยดันมันเรื่อยเลยนะมันคลอดเร็วไปคลอดเร็วไปไม่ดีนะอดทนนะอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจไม่ใช่ปรุงแต่งมัน ถ้ารู้ทันความปรุงแต่งนะวันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งแต่ถ้าไปปรุงแต่งก็ไม่มีวันพ้นจากความปรุงแต่งปรุงแต่งการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีนั่นแหละปรุงแต่งไม่มีวันที่จะพ้นจากความปรุงแต่งได้เลยแต่ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งแต่เราไม่ไปปรุงแต่งมันเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเราไม่ไปปรุงแต่งมันเราทําหน้าที่แค่รู้แค่เห็น รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้บ้างเผลอบ้างจะรู้ตลอดเวลาไปได้ไงไม่มีดีสติตลอดเวลานี่ไม่ใช่พระลรหันนี่มันรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่อย่าเผลอนานจนน่าเกลียดเผลอนานจนน่าเกลียดพวกไม่ยอมภาวนาไอ้นนท์ก็ไม่ยุดไอ้นี่ก็ไม่ยึดเราไม่ต้องภาวนาก็ได้นะถ้าภาวนาก็เป็นความยึดถือไม่ต้องทําอะไรเลยพระหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องทําอะไรกินกินนอนๆไปหมาก็ทําได้หมาบรรลุแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะ ยังไงมันก็ต้องทําหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำนะลงมือจริงต้องทําลงมือดูอะไรดีเริ่มต้นจะดูอะไรดีล่ะพอรู้ว่าจะดูอันนี้จะดูยังไงถึงจะดีนึกออกไหมทีแรกเริ่มจะดูยังไงจะดูอะไรดีจะดูอะไรอะไรเป็นอ็อบเจกต์จะดูอะไรดีก็สองจะดูอย่างไรถึงจะดีคิดว่าจะทําอะไรจะทํำยังไงทำแล้วจะได้อะไรอดไม่ได้นะจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรทําอย่างไรเนี่ย ค้นคว้าดิ้นรนอย่างนี้เรื่อยเลยดิ้นไปเถอะดิ้นเข้าไปคนเข้าไปเถอะวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจเฮ้ยอาจจะได้ยินซีดีหลวงพ่อพอดีหรืออาจจะมานั่งฟังหลวงพ่อเทศพอดีหรืออยู่ๆได้ยินเสียงหลวงพ่อเข้ามาในหูโดยที่ไม่ต้องเปิดซีดีก็มีนะได้ยินเข้ามาปิ้งเลยปิ้งเลยสมัยพุทธกาลมีนะแต่ก่อนไม่เข้าใจสมัยพุทธกาลเนี่ยพูดถึงพระภิกษุไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า เราแยกย้ายกันไปอยู่นาทีที่ท่านจะปิ๊งเนี่ยบอกว่าได้ได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าฉายมาเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้ามาอยู่ต่อหน้าได้ยินท่านเทศได้ยินเสียงท่านเพราะฉั้นะบางทีได้ยินเห็นทั้งรูปได้ยินทั้งเสียงนะบางทีได้ยินแต่เสียงของท่านก็มีนะแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยตอนนี้คนเริ่มมาพูดก็มีนะไม่ใช่หลวงพ่อไปตีตัวเทียบท่านนะไม่ใช่ยกตัวอย่างให้ดูนะ ภาวนาติดขัดนะเห็นหลวงพ่อไปสอนให้ถามว่าหลวงพ่อไปสอนแบบเปล่าหลวงพ่อนอนอยู่ในกุฏิยังไม่ได้ออกจากกุฏิเลยนะอทําไมอ่ะใจของเราที่แอบซอบธรรมะไว้มันถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาสอนเรานะงนั้นมันปิ้งขึ้นมาเองเลยบางคนไม่ต้องมีเสียงประกอบไม่ต้องมีภาพประกอบนะภาวนาไปภาวนาไปไปเห็นสภาวะปิ้งขึ้นมานะมันหลุดออกมาเองเลยนะ เราั้นเราค่อยๆเรียนรู้ความปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองที่ปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้ก็ปรุงนี่วะอย่างนี้ก็ปรุงนี่วะเอาแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยก็ปรุงนะหรอวะแต่ปรุงแบบสุดโง่เลยไม่ทําอะไรเลยอย่างปรุงว่างๆปรุงไม่ทําอะไรนั่นก็ปรุงทั้งสิ้นอย่างเบื้องต้นนี่แหละปรุงแต่งยังไงมันก็ปรุงแต่อย่าไปช่วยมันปรุงนะ คอยดูกายมันปรุงคอยดูจิตมันปรุงดูมันทํางานไปเรื่อยๆเผลอเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าไปช่วยมันปรุงแตง่งถ้ารู้ทันก็เข้าเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปช่วยมันปรุงแตง่งไม่ใช่ไปประครองผู้รู้ผู้ดูด้วยนะไม่ได้ทําอะไรหรอกคอยรู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยนะค่อยๆสังเกตในที่สุดก็เห็นทเที่ยวแสวงหาบ้างทเที่ยวถล่มลงไปดูบ้างนะเที่ยวเข้าไปแทรกแซงแก้ไขบ้างฝึกไปเรื่อยพอรู้ทันเนี่ยมันก็จะลด ความปรุงแต่งที่ผิดๆลงความปรุงแต่งที่ผิดเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะแล้วปรุงแต่งก็ยังปรุงอีกลงไปปรุงไปแล้ววันหนึ่งปิ้งขึ้นมารู้เลยบางคนก็รู้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมากผลนิพพานได้หรอกนะมันเป็นเองจิตที่อบรมอินทรีย์มาแก่รอบนะมันบรรลุของมันเองนไม่ใค่อยฝึกเอานะสรุปแล้วก็คือให้ใครยรู้ความปรุงแต่งอย่าไปนั่งปรุงแต่งมันเสอเองทําได้ไหม ทำไม่ได้หรอกจำไว้นะทำไม่ได้หรอกรู้ลูกเดี๋ยวนะ เ, เชิญไปทานข้านิมนต์เลยครับนิมนต์